ท่องนะท่องจำให้ได้แล้วก็ดูคำแปลเข้าใจ <c oughs> ดูคำแปลเข้าใจ <c oughs> สุไทยเกิดยังไงดับยังไงเกิดที่ไหนดับที่ไหนเกิ ด, ท, ดที่ปิยรูปสาธรูปหมดละสิบ หมวดละหหมวดละหกสิบหมวดไปดูเราศึกษามาตรงนี้แล้วเราไม่เห็นมีช่องว่างเลยที่ตรงไหนตันหามันจะเกิดไม่ได้มันมีช่องเยอะแยะมันมีช่องที่มันจะเกิดมากมายเยอะแยะถ้าเราไม่เป็นตัวของตัวไม่ดึงสติมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือกํากับดูแลเนี่ยเราจะเสียท่าเสียทีมันตลอดอื ตัวเก่ามันก็เสื่อมมาตัวใหม่มันก็ผลิตขึ้นตัวเก่ามันก็เสื่อมมาตัวใหม่มันก็ผลิตขึ้นตัวเก่าเสริมมาตัวใหม่ผลิตขึ้นอยู่อย่างงั้นหลยผลิตมากๆกับเป็นวิบากมากๆโชชาลามกสารพัดและมันจะพาผลิตเราต้องการให้มันเจริญเงาะเงยเจริญเงาะงาม ก็เชิญ เ, ง, เ ง, งาะเชิญเงาะงามไปตามเพลงของมันไปตามผลวิบากของมันแหละแต่อย่าลืมว่าวิบากของมันเนี่ยผลรายได้จากวิบากของมันเนี่ยมันให้ความสุขเรานิดหน่อยเหมือนกับเราเพลินในเหยื่อเหมือนปลาที่เพลินในเหยื่อที่ปลายเบือนั้นแหละเยิ่มแล้วเกินเยอะมแล้วเกินน้างับแล้วเกินหน้างับแล้วเกินทนไม่ได้งับแน่ ติดแล้วอะไรติดแล้วดูเอาอะไรติดแล้วกองทุกมันเกาะแล้วกองทุกมันติดแล้วดูกองทุกเวลามันจะเกิด่ะมันจะเป็ดตังอะไรกับปลาที่มันเยิ้มเห็นเยิ้มในเหยื่อที่ปลายเบ็ดนั่นตันหาเวลาจะเกิดทุกอย่างทุกเรื่องมันเปรียบเสมือนเหยื่อที่ปลายเบ็ดทั้งนั้นแหละเราหลงเห็นว่าเป็นเหยื่อ ลองเห็นว่าเยิ่มน่ากินน่ากินน่ากินงับเสร็จมานี่แล้วงับเสร็จมานี่แล้วทำไมเราจะรู้สึกตัวว่าปลายเบ็ดมันมีอยู่ข้างหลังเยื่อทำไมจะรู้สึกตัวมันไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นทุกครั้งอริยสัจจังท่านท่านจึงให้ศึกษาท่านจึงให้หมุนจ่อเข้ามาดูมัน ทุกครังอรอยิยสัจจันทุกครั้งอย่างอื่นก็ดูยากอืร้องห่มร้องไห้บางการบางคราวก็ดหาดูยากลึกเกินเสียอกเสียใจบางครั้งก็ดูหาดูยากลึกเกินแต่ว่าอนั่งภาวนาเจ็บปวดเนี่ยเห็นง่ายๆชัดชัดเนี่ยหันมาดูหันมาจอ่ออะไรมันเกิดขึ้นในจิตหันมาจอ่ออะไรมันเกิดขึ้นภายในจิตหันมาจอ่อมันเราดูไปที่อื่นไม่เห็นไม่จ่อมาที่นี่เราจะเห็น มันเกิดขึ้นยังไงมันดับยังไงมันเกิดขึ้นอาศัยอะไรเกิดขึ้นมันตั้งอยู่อาศัยอะไรตั้งอยู่มันดับไปอาศัยอะไรดับไปมันเกิดขึ้นภายในจิตจิตเป็นยังไงมันตั้งอยู่ภายในจิตจิตเป็นยังไงเราระงับยังไงมันถึงจะไม่ให้มันเกิดขึ้นในจิตระงับยังไงถึงจะไม่ให้มันเกิดตั้งอยู่ภายในจิตในเมื่อมันเกิดไม่ได้มันก็ดับไม่ได้ในเมื่อมันเกิดไม่ได้มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ มันก็ดับไม่ได้ไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับในเมื่อมันเกิดไม่ได้ทำยังไงมันจะเกิดไม่ได้ตัวนี้สำคัญที่สุดทำยังไงมันถึงจะเกิดไม่ได้นี่แหละตรงนี้แหละมันมาตรงหลักมหาสติปัฏฐานทั้งสีนี่แหละมันมาตรงนี้แหล ะ, หละวิธีทำก็ใช้สติเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานเวลาสติของเรากาหนดรออยู่นั่น มันเหมือนกับมีความสว่างมาส่องดูอะไรมันจะเพ่นพานเข้ามาผู้หนึ่งสองผู้หนึ่งก็ดูผู้สองก็คือสติคือสารพจนญะตั้งเป็นผู้สง่งทั้งเป็นผู้ดูนั่นแหละเป็นผู้สง่งเป็นผู้ดูตั้งใจส่องดูส่องลงไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัส ส่งไปที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจส่งไปที่วิญญาณความรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจส่งไปที่ผัสสะนะความกระทบมันความกระทบมันกระทบยังไงเราไม่ต้องไปสงสยัยดอกตาเห็นรูปมันก็เกิดการกระทบเกิดวิญญาณในขณะเดียวกันเลยเกิดผัสสะเกิดเวทนาเห็นไหมจกักขูสัมผัสสิชาวเวทนาโสต สัมผัสเสชาเวทนาขานะสิวหากายะมโนสัมผัสเสชาเวทนานถ้าเราตั้งจิตขมจออยู่มันจะไม่คือตาก็สักเท ว, วาตารูปก็สักเทวะรูปหูก็สักเท ว, วหูเสียงก็สักเทวะเสียงจมูกก็สักเทวจมูกกลิ่นก็สักเทวกลิ่นกลิ่นต่างหากจมูกต่างหากกายต่างหาสิ่งที่มาสัมผัสกายต่างหา เราทำความรู้สึกได้ไหมเราทำความรู้สึกทันเราทำความรู้สึกมาที่กายของเราเราทำความรู้สึกมาที่สิ่งที่มันมาสัมผัสที่กายของเรามันทำความรู้สึกได้อาศัยสติสักธวะระลึกรู้รู้ว่ากายรู้ว่ามีเย็นร้อนอ่อนแข็งมาสัมผัสยุดรู้ว่านิ่มรู้ว่าหยาบรู้ว่ากระด้างมาสัมผัส เรากำหนดรู้เรากำหนดรู้ได้เพราะสติตัวนี้ทํางานเมื่อสติตัวนี้ทํางานอยู่ตัณหามันทํางานไม่ได้ตัณหาทํางานไม่ได้มันก็เจริญหมองเงยไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราจ่อเข้าไปอยู่สมุทัยเกิดไม่ได้สมุทัยเกิดไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีอะไรดับไปเนี่ยแท้ที่จริงมันดับ ตอนที่มันไม่เกิดนั่นแหละตอนที่มันไม่เกิดมันไม่เกิดก่อนแล้วมันถึงจะไม่มีอะไรดับสมุดไทยไม่เกิดแล้วนิโรธนิโรธอ่านิโรธไม่มีอะไรดับคือไม่มีตันหาดับในเมื่อไม่มีตัญหาดับก็หมายย่อมหมายถือว่านิโรธดับนิโรธดับแท้ที่จริงมันดับจนแต่ยังไม่เกิดเราดู ถ้าปล่อยให้เกิดแล้วมันก็ต้องดับปล่อยมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับปอยให้เกิดแล้วก็ต้องดับมันดับตั้งแต่ยังไม่เกิดตัณหาต้องดับตั้งแต่ยังไม่เกิดแต่ถ้าหากมันเผลอมันเผลอปรุงมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วสติสามิชาญนี่ยวิ่งตามมาทีหลังเนี่ยกนะดดจดจอไปเหมือนเดิมเลยจอไปเหมือนเดิมก็ดับำ มีหมายความว่าเราตามมันทันที่หลังเราตามมันทันที่หลังแต่ถ้าเรากําหนดจดจ่ออยู่มันโผล่ไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราพลั้งเราเผลอมันโผล่ขึ้นมาสองขนาดสามขนาดจิตมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราวิ่งปุ๊บปๆ๊ตามมันมากําหนดจดจ่ออยู่ก็ดำดำเหมือนเดิมมาเลยดำเหมือนเดิมมีวิธีการต่อสู้อาศัยความภาคความเพียร อาศัยสติเพิ่มพูนเข้าม า, ส, ม า, าสัมผชัญนะเพิ่มพูนเข้ามาอาศัยปยัญญาเพิ่มพูนเข้ามาความอดความทนนัง่งต่อสู้กำหนดจดจ่ออยู่อะไรจะพาพลิกอะไรจะพาเปรี่ยดอะไรจะเป็นตัวพาให้เกิดความรู้สึกแ ต, ตกต่างไปจากที่เรากำหนดอยู่อะไรจะเป็นตัวพาให้เป็นอย่างนั้นกำหนดจ่อจดจ่ออยู่กำหนดจดจ่ออยู่อย่างนี้งานของเราก็ตล่มเข้ามางานขาเราก็แคบเข้ามาแคบเข้ามา มันไม่ได้ไป น, นึ่งคิดนั่งคิดนั่งพรุงนึกสับสนวุ่นวายกับรูปกับเสียงกับเปลี่ยนกับอะไรล่องลอยอยากเห็นผีเห็นเปรตอยากเห็นพญายนาดอยากเห็นเทวอูเทวดาเลื่อยเปื่อยไปตามเรื่องอันนั้นมันนอกเรื่องมันนอกเรื่องมันนอกเรื่องถ้าเราไม่เข้าใจมันอีกสิ่งเหล่านั้นแหะมาเสริมมาเสริมิมเมลีเสริมตัญหาเข้าไปหลอกลวงตัวเองไปวันๆลอกลวงคนอื่นไปวันๆอีก หลอกลวงแน่ๆถ้าไปทำไมถูกหลอกถูกหลอกมันสวมมันสวมรอยมาแล้วก็ถูกหลอกแต่ถ้าเรามาตรงตนตรงนี้ตัณหามันหลอกไม่ได้ตัณหามันสวมเข้ามาแล้วมันก็ผ่าหลอกไปทุกอย่างทุกเรื่องแล้วแต่ทิศทางที่มันจะผันพ า, พ ล, าพลิกผันไปทำฮักงานให้กับมันตลอ ในระหว่างที่เรากํลาลังทําอยู่ง่วนอยู่สับอยู่อะไรอยู่นี่เป็นเป็นมัดเป็นมัดเป็นการทํางานสรุปลงแล้วอริยสัจสี่รวมอยู่ด้วยกัน น, น, นี่ยแหละสติปัญหาสี่รวมอยู่ด้วยกันนี่ยแหละอเรื่องเดียวที่เป็นที่เป็นปัญหาเรื่องเดียวที่เป็นปัญหาอยู่ตรงนี้คือตัณหานี่ยแหนะนั่นคือเจ้าคือเจ้าเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาคือตัวตัณหานั่นแหละ ตัวมันแท้ๆก็ตัวใจดีดดิ้นนั่นแหละตัวมันน่ะดูไปให้เห็นดูที่ไหนไม่มีที่ไหนไม่เป็นมันไม่มีเกิดที่ไหนไม่ได้มันเป็นที่ไหนไม่ได้มันเป็นที่ใจใจเร็วๆพื้นพื้นเพของจริตนิสัยของใจของเราที่มันเร็วๆอ่ะที่เราช้าเราล้างเราขัดเรากล่าวมันไม่ได้แล้วหลงเสริมมันอยู่เรื่อยหลงเสริมมันอยู่เรื่อยไม่เคยที่จะมาคิดขัดกล่าวมัน จะคิดว่าอะไรจะคิดว่าอะไรทำให้เราทุกหนะความเลวของใจของเราเนี่ยดูไปสิเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สงวนไว้ไม่ได้จ่อเข้าไปตรงหัวก็บานมันเลยแหละจ่อลงไปเลยถูกอะไรถูกอะไรเดี๋ยวมันฉะเข้าขมาเองมันล้างเขงม้มเองมันซักมันฟอกเข้ามาเองสิ่งที่เหลือนั่นแหละจะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์จะเหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ ประลบทำเท่านี้แหละ